พุทธวจนะพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงเล่มที่21พระสุตตันตปิฎกเล่มที่13อังคตรนิกายจตุกนิบาตหน้าที่112ทับ240ข้อที่111อ้างอิงโดยอ t ต p i ิดกะ .com เกศีวัตรที่สองเกสีสูตรหนึ่งรสิอครั้งนั้นแหลสารถีผู้ฝึกม้าชื่อเกสีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามดูก่อนเกสี ท่านอันใครๆก็รู้กันดีแล้วว่าเป็นสารธีผู้ฝึกมา้าก็ท่านฝึกหัดม้าที่ควรฝึกอย่างไรสารถีผู้ฝึกม้าชื่อเกสีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ฝึกหัดม้าที่ควรฝึกด้วยวิธีละม่อมบ้างรุนแรงบ้างทั้งละม่อมทั้งรุนแรงบ้างดูก่อนเกสี ถ้ามาที่ควรฝึกของท่านไม่เข้าถึงการฝึกหัดด้วยวิธีละม่อมด้วยวิธีรุนแรงด้วยวิธีทั้งละม่อมทั้งรุนแรงท่านจะทำอย่างไรกระมันข้าแต่พระองค์พูดเจริญถ้ามาที่ควรฝึกของข้าพระองค์ไม่เข้าถึงการฝึกหัดด้วยวิธีละม่อมด้วยวิธีรุนแรงกดตามด้วยวิธีทั้งละม่อมทั้งรุนแรงด้วย ข่ามันเสียเลยขอนั้นเพราะเหตุไรเพราะคิดว่าโทษมีชัยคุณอย่าได้มีแก่สกุลอาจารย์ของเราเลยขาดแต่พระองค์ผู้จเจริญก็พระผู้มีพระภาคเป็นสารทีผู้ฝึกบุรุษชั้นเยี่ยมก็พระผู้มีพระภาคทรงฝึกบุรุษที่ควรฝึกอย่างไรดูก่อนเกสีเราแล ย่อมฝึกบุรุษที่ควรฝึกด้วยวิธีละม่อมบ้างรุนแรงบ้างทั้งละม่อมทั้งรุนแรงบ้างดูก่อนเกษีในวิธีทั้งสามนั้นการฝึกดังต่อไปนี้เป็นวิธีละม่อมคือกายสุจริตเป็นดังนี้ วิบากแห่งกายสุจริตเป็นดังนี้วจีสุจริตเป็นดังนี้วิบากแห่งวจีสุจริตเป็นดังนี้มโนสุจริตเป็นดังนี้วิบากแห่งมโนสุจริตเป็นดังนี้เทวดาเป็นดังนี้มนุษย์เป็นดังนี้การฝึกดังต่อไปนี้เป็นวิทีรุนแรงคือกายทุจริต เป็นดังนี้บิบากแห่งกายทุจริตเป็นดังนี้วัจีทุจริตเป็นดังนี้วิบากแห่งวัจีทุจริตเป็นดังนี้มโนทุจริตเป็นดังนี้บิบากแห่งมโนทุจริตเป็นดังนี้นรกเป็นดังนี้กำเนิดสัตว์เดรัจฉานเป็นดังนี้ปิติวิสัยเป็นดังนี้การฝึกดังต่อไปนี้เป็นวิธีทั Clean Clean ท pues โโท้งละม่อมทั้งรุนแรง คือกายสุจริตเป็นดังนี้วิบากแห่งกายสุจริตเป็นดังนี้กายทุจริตเป็นดังนี้วิบากแห่งกายทุจริตเป็นดังนี้วัจจีสุจริตเป็นดังนี้วิบากแห่งวัจจีสุจริตเป็นดังนี้วัจจีทุจริตเป็นดังนี้วิบากแห่งวัจจีทุจริตเป็นดังนี้มโนสุจริตเป็นดังนี้วิบากแห่งมโนสุจริตเป็นดังนี้มโนทุจริตเป็นดังนี้วิบากแห่งมโนทุจริตเป็นดังนี้เทวดาเป็นดังนี้ มนุษย์เป็นดังนี้นรกเป็นดังนี้กำเนิดสัตยรชานเป็นดังนี้ปิติวิสัยเป็นดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าบุรุษที่ควรฝึกของพระองค์ไม่เข้าถึงการฝึกโดวยวิธีละม่อมโดวยวิธีรุนแรงโดวยวิธีทั้งละม่อมทั้งรุนแรงพระผู้มีพระภาคจะทำอย่างไรกับเขา ดูกรเกษีถ้าบุรุษที่ควรฝึกของเราไม่เข้าถึงการฝึกด้วยวิธีละม่อมด้วยวิธีรุนแรงด้วยวิธีทั้งละม่อมทั้งรุนแรงเราก็ฆ่าเขาเสียเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบาณาติบาตไม่สมควรแก่พระผู้มีพระภาคเลยก็เมื่อเป็นเช่นนั้นไ น, นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอย่างนี้ว่าฆ่าเขาเสียจรเกสี กานาติบาตไม่สมควรแก่ตถาคตก็แต่ว่าบุรุษที่ควรฝึกใดย่อมไม่เข้าถึงการฝึกด้วยวิธีละม่อมด้วยวิธีรุนแรงด้วยวิธีทั้งละม่อมทั้งรุนแรงตถาคตไม่สำคัญบุรุษที่ควรฝึกนั้นว่าควรกล่าวควรว่ากล่าวควรสั่งสอนแม้พรหมจารีผู้เป็นบินยูชนก็ย่อมไม่สาคัญว่าควรว่ากล่าวควรสั่งสอนดูกอดเกสี ข้อที่ตถาคตไม่สาคัญบุรุษที่ควรฝึกว่าควรว่ากล่าวควรสั่งสอนแม้สัพพรมจารีผู้เป็นวิญญาชนทั้งหลายก็ไม่สาคัญว่าควรว่ากล่าวควรสั่งสอนนี้เป็นการฆ่าอย่างดีในวิัยของพระอริยะ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่พระตถาคตไม่สำคัญบุรุษที่ควรฝึกว่าควรว่ากล่าวควรสั่งซ้อนแม้สัพพมจารีผู้วิญยูชนก็ไม่สำคัญว่าควรว่ากล่าวควรสั่งซ้อนนั้นเป็นการข่าอย่างดีแน่นอนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนัก พระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนงาไห้องที่คว่ำเปิดคล้องที่ปิดบอกทางแก่คนลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดโดวยหวังว่าคนมีจักสุจกเห็นรูปฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์เป็นสรณนะ ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจำค่าพระองค์ว่าเป็นอุบาสก พ, พูดถึงสาณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจบสูตรที่หนึ่งอ่านโดยจายแผนบอกจาก